วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่ส3บสากรกดาคมพุทธศักราช2563าเป็นวันแรมแปดค่ำเดือนแดเป็นวันพระวันธรรมัวรวนะวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ศรัทธายาโยมชาวพุทธ ได้หยุดการทำภารกิจการงานการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลาเข้าวัดเพื่อมาศึกษามาฟังวิธีหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยการเจริญในขัมมะบารมีในขัมมะบารมีแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางกามคุณทั้งห้าคือทางรูปเสียงเลียรถโพธพภะด้วยการถือศีแปดสแปดนี้ ผู้ใดถือศีลแปดก็ถือว่าได้บวชในขมัมมะเพราะเป็นการละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกิือกายเพื่อที่จะได้มีเวลามาหาความสุขจากการเจริญจิตตภาวนา ทำจิตใจให้สงบเพื่อจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนแต่เรากลับไม่ให้ความสำคัญกับมันกลับไปหาความสุขปลอมความสุขที่ จะทำให้ต้องเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีวันสิ้นสุดลงแต่ความสุขที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนนี้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเรา เป็นของเราถ้าเราสามารถเข้าถึงความสุขอันนี้ได้การจะเข้าหาความสุขอันนี้เราก็ต้องหันหลังให้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <Yes. S 1> ตามปกติเราจะหันหลังให้กับกับความสุขที่มีอยู่ในตัวเรา คือความสงบแล้วเราก็หันไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันมีพิษดีภัยมันมีทุกข์ตามมาเป็นเหมือนปลาที่มีก้างกินปลาที่มีก้างไม่ช้าก็เร็วก็ จะถูกก้างตามปากตามคอปินปลาที่ไม่มีก้างจะดีกว่าความสุขในใจของพวกเราที่เกิดจากการทำใจให้สงบเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากโทษไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีก้าง จะไม่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจจะไม่ทำให้เราทุกทรมานใจเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้เข้าถึงแล้วนำเอามาสอนพวกเราที่ยังไม่รู้จากวิธี ที่จะเข้าถึงความสุขอันนี้มาสอนวิธีให้พวกเราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เรียกว่าลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในใจของพวกเราแต่ไม่มีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาเพราะเราไม่ ให้ความสำคัญกับการทาให้ความสุขให้ปรากฏขึ้นมาเราไปให้ความสำคัญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูไปฟังไปริมริไปดมกลิ่นไปสัมผัสอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายซึ่งก็มีความสุข แต่เป็นความสุขแบบประเดียวประเดาเป็นความสุขแบบควันไฟ <c oughs> ได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปไปเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไป <c oughs> ไปดูไปฟังอะไรมาแล้วความสุขที่ได้จากการดูการฟังก็จางหายไป ไปดื่มไปรับประทานอะไรความสุขที่ได้เดี๋ยวก็จางหายไปพอจางหายไปก็ทำให้ใจรู้สึกขาดอะไรทำให้รู้สึกหิวโหวยจึงต้องคอยไปหาความสุขจากรูปเสียงกลพพิ่นรสผดทพะอยู่เรื่อย ถ้าเวลาใดไม่สามารถที่จะหาได้เวลานั้นก็เป็นเวลาของความทุกข์ความทุกข์ก็จะโหมเข้ามาสู่ใจทันทีนี่คือความสุขที่พวกเราหากันอยู่เป็นปกติที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจจึง ละหาความสุขแบบนี้ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ก่อนที่จะไปบวชท่านก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านก็อยู่กับความสุขทางตาหูจมู ก, ก, กลิ้นกายมีปราสาทสามฤดูด <Yeah. S 1> มีบริษัทบริวารคอยรับใช้คอยตอบสนองความอยากความต้องการต่างๆ ต้องการดูอะไรต้องการฟังอะไรก็จะสรรหามาถวายต้องการดื่มต้องการรับประทานอะไรก็จะจัดหามาให้ต้องการจะไปเที่ยวที่ไหนก็จัดพาไปนี่คือความสุขของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่พอ วันหนึ่งไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็รู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์เองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย<ม>ก็เกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวขึ้นมากลัวว่าต่อไปจะไม่สามารถหาความสุขเหมือนกับตอนที่ กำลังหาได้อยู่ในตอนนี้พร <Yeah. S 2> าเวลาเห็นคนแก่นี้เขาไม่มีความสุขเลย <Yeah. S 2> เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย <Yeah. S 2> ก็มีแต่ร้องโอดควรคราง <Yeah. S 2> เห็นคนตาย <Yeah. S 2> ก็นอนนิ่งเฉยๆ <Yeah. S 2> ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้เลย <Yeah. S 2> จึงทำให้พระองค์นี้ทรงมีความ ทุกใจเป็นอย่างมากไม่มีกระจิตกระใจที่ยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนเมื่อก่อนและพอเห็นนักบวชก็ได้ทราบว่านักบวชนี้เป็นพวกที่หาความสุขเอกแบบหนึ่งเพราะนักบวชรู้ว่าต่อไปถ้าร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกาย ตายจะไม่สามารถหาความสุขได้จึงไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบนี้จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกกาย ต้องสงบสงดแล้วจิตก็จะวิเวกตามกายวิเวกจิตวิเวกกายวิเวกก็ต้องละการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่าง ๆ, <S <S ๆการจะละได้ก็ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับถ้าไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับก็ จะไม่สามารถที่จะระงับได้ก็เลยต้องมาถือศีลแปดกันศีลแปดนี้เป็นกฎเป็นระเบียบที่จะคอยห้ามไม่ให้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพัชชนิดต่างๆชาวพุทธเราจึงนิยมในวันพระ จะถือศีลอุโบสถ์หรือถือศีลแปดกันศีลอุโบสถนี้ก็คือศีลแปดนี้เพียงแต่ว่ารักษากันที่พระอุโบสถคือที่ในโบสถ์เนื่องจากวัดนี้จําวัดส่วนใหญ่นี้จะไม่มีที่พักให้ญาติโยมญาติโยมที่จะไปปฏิบัติธรรมจึงไปปฏิบัติกันในโบสถ์ ไปฟังเทศฟังธรรมในโบสถ์ไปฝึกสมาธิไหว้พระสวดมนต์กันในโบสถ์แล้วก็พักหลับนอนกันในโบสถ์จนถึงวันรุ่งขึ้นพอสว่างก็ลากลับบ้านกันถือศีลแปดแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นการถือศีลอุโบสถความจริงศีล อ, อุโบสถกับศีลแปดนี้ก็อันเดียวกัน ไม่ต่างกันละเว้นเหมือนกันละเว้นจากการร่วมหลับนอนกันสำหรับศีลข้อสามปกติก็ถือศีลอยู่ห้าข้ออยู่แล้วคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ศีลข้อสามก็ไม่ประพฤติผิดปรเวณีคือไม่ร่วมหลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตน ไม่โกหกไม่ดื่มสุรายาเมาพอมาถือศีลแปดก็เปลี่ยนจากศีลข้อสามเปลี่ยนจากกาเมสุมิชฌาจาราเวรามาณีมาเป็นอบรัมะจาริยะเวรามาณีคือถือศีลพรหมจันทร์พรหมจันทร์ก็คือผู้ที่ไม่ร่วมหลับนอนกับใครนั่นเองไม่เสบ ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใคร <Yeah. S 1> เรียกว่าศีลพรหมจรรย์ <Yeah. S 1> ข้อสามผู้ที่ถือศีลห้าตามปกติพอมาถือศีลแปดก็เปลี่ยนศีลข้อสามเป็นอรรมจริยาเวรมณี <Yeah. S 1> แล้วก็เพิ่มศีลข้อที่หกคือการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว yeah. เพื่อลดการเสพกามจากการรับประทานอาหารนั่นเองให้รับประทานอาหารเหมือนกับรับประทานยาร่างกายต้องการอาหารต้องการน้ําต้องการธาตุมาเติมก็เติมตามความต้องการของร่างกายซึ่งครั้งละวันละครั้งสองครั้งก็พอเพียง ไม่ต้องรับประทานกันแบบทั้งวันทั้งคืนรับประทานแบบนั้นเรียกว่ารับประทานเพื่อเสพกามเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารเพื่อจะได้มีความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารซึ่งจะทำให้ติดเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาใดที่ไม่สามารถที่จะเสบ รูปเสียงกดลดิ่นรสผลทพะของอาหารได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะนนให้หัดเลิกหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสของอาหาร mm hmm. ให้รับประทานอาหารเพราะจาเป็นเหมือนกับรับประทานยารับ mm hmm. ประทานครั้งสองครั้งก็พอ mm hmm. สำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆก็อาจจะต้องรับประทานสองครั้งก่อนเพราะยังสู้กับความหิวความอยากไม่ได้แต่ผู้ที่ได้ฝึกไปมากๆแล้วจะมีกำลังต้านความอยากการรับประทานอาหารได้ก็จะรับประทานกันวันละหนึ่งครั้งเช่นพระปฏิบัติธรรมนี้ พระธุดงคกรรมฐานทั้งหลายท่านจะนิยมฉันมือเดียวฉันในบาทเพราะมันพอเพียงต่อความต้องการของร่างกายฉันมากไปก็กลายเป็นนิวรนขึ้นมากลายเป็นอุปสรรคเพราะจะทำให้เกิดความว่งเหงเ <The> <The> หงานอนได้เกิดความเกลียดท้าน จึงมีความระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหารไม่ให้เกิดโทษต่อจิตใจให้เกิดคุณกับร่างกายคือให้ร่างกายมีอาหารห่อเลี้ยงเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารับประทานมากเกินไปรับประทานตามความอยาก ก็จะเป็นโทษทั้งกับทางร่างกายและจิตใจได้ร่างกายถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปน้ำหนักก็จะเกินแล้วโรคภัยที่เกิดจากน้ำหนักเกินก็จะตามมาโรคเบาหวานโรคไขมันอุดตันโรคความดันต่างๆก็จะตามมาได้ทางจิตใจก็จะทำให้มีความง่วงเหงาเหงานอน เวลาจะนั่งสมาธิก็จะสับประงกเวลาเดินจงกรมก็ก้าวเท้าไม่ออกนี่คือโทษของการรับประทานอาหารมากเกินไปมากต่อความต้องการของร่างกายผู้ที่ต้องการจะหาความสุขจากความสงบจึงจำเป็นที่จะต้องถือศีลข้อหกนี้คือ วิการะะละโภชนาเวระมณีแต่ว่าละเว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิการยามวิการของการรับประทานอาหารก็คือหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอาหารแต่ทรงอนุญาตให้ดื่มให้รับประทานให้กินยาได้ มีเภสัชอยู่ห้าชนิดด้วยกันยาห้าชนิดด้วยกันเรียกว่าได้แก่หนึ่งน้ำน้ำอ้อยหรือน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำมันเนยข้นเนยใสสิ่งเหล่านี้อาจจะช่วยบรรเทาความ การไม่มีเรี่ยวแรงได้เพราะเป็นเหมือนพลังงานกินน้ำตาลน้ำผึ้งน้ำมันเข้าไปก็จะเนยข้นเนยใสยก็จะทำให้ร่างกายที่อิดโรยเนื่องจากไม่ได้รับประทานอาหารเย็นมีกำลังวังชาขึ้นมาบ้างก็ส่งอนุญาตให้รับประทานเภศัชทั้งห้าชนิดได้ นอกจากนั้นก็ยังอนุญาตให้ดื่มน้ำปานะได้คือน้ำผลไม้คั้นผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้แบบชนิดที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นถ้าผลไม้ที่ใหญ่กว่ากำปั้นก็ไม่อนุญาตเช่นสับประรดมอรกอแตงโมมะพร้าวน้ำจากผลไม้เหล่านี้ไม่ให้ให้เอามาคั้น ให้ดื่มน้ำเช่นพวกน้ำส้ม น, น้ำมะหยุนน้ำแอปเปิ้ลอะไรทำหนาองนี้แต่จะต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดให้มีแต่น้ำเปล่าๆ เ, เพราะถ้ามีเนื้อติดมาเดี๋ยวจะกินแล้วอิ่มเกินไปเดี๋ยวก็จะง่วงกลายเป็นอาหารไปได้ฉะนั้นพวกที่ใช้การปั่นนี่คงจะใช้ไม่ได้เพราะปั่นนี่เนื้อมันยังปนอยู่กับน้ำอยู่ ไม่เรียกว่าเป็นน้ำผลไม้ไม่ได้เป็นน้ำคัน้นเป็นน้ำปั่นซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าดื่มได้รับประทานได้แต่มันมีเนื้ออยู่มีเนื้อของผลไม้อยู่ถึงแม้จะปั่นมันจนกระทั่งมันเหลวก็คิดว่าถ้าไม่เคี้ยวถือว่าดื่มได้ก็ดืม่มนั่นไม่ใช่นะต้อง ต้องคันต้องใช้ผ้ากองเอาเนื้อแยกออกจากน้ำก่อนถึงจะถือว่าเป็นน้ำปานะเป็นน้ำผลไม้อันนี้คือสิ่งที่รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ามีความหิวโหวยขึ้นมาก็มีความอิดโรยขึ้นมาไม่มีเรื่องมีแรง ก็ดด่มน้ำผลไม้ไปดื่มน้ำอ้อยน้ำตาลไปน้ำผึ้งไปก็พอจะได้พลังงานมาให้กับจิตใจให้กับร่างกายเพื่อที่จะได้มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปศีลข้อที่เจ็ดก็ต้องละก็คือการละการหาความสุขจาก พวกมหอละสมบันเทิงต่างๆภาพยนต์การน้องรำทำเพลงการเล่นต่างๆละครลิเก้วหรืออะไรก็ต่างที่เป็นการดูด้วยตาฟังด้วยหูแล้วเกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ก็ต้องละเว้นเพื่อที่จะได้อ่า ไม่ไปเสียเวลาถ้าเอาเวลาไปดูภาพยนตร์ไปหาความสุขจากมหัศรศบันเทิงก็จะไม่มีเวลามาฝึกการทำสมาธิทำใจให้สงบเลยต้องละเว้นพวกมหัศรศบันเทิงต่างๆแล้วก็ละเว้นการเสริมสวยความงามทางร่างกาย การทำเเผ้าทำผมทำหน้าทำตาการใส่เสื้อผ้าวิจิตพิสดาร<ม>เพื่อให้เกิดความสวยงามขึ้นมามเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขปลอ ม, มเสียเวลามากมอย่าไปเสียเวลากับความสุขแบบนี้<ม>อาเวลามาหาความสงบกันดีกว่า แล้วสี่งข้อที่แปก็ไม่ให้นั่งไม่ให้นอนบนที่นั่งที่นอนที่สุขสบายเกินไปเพราะจะทําให้เกียจคร้านจะทําให้นอนมากเกินไปให้นอนบนที่นั่งที่นอนที่ไม่สบายเช่นบนบนไม้แข็งแข็งบนพื้นเวลาหลับนอนจะได้ไม่นอนมากเกินไป ร่างกายพอได้พักผ่อนเพียงพอแล้วก็จะเตินขึ้นมาถ้าเป็นพื้นที่นอนไม่สบายก็จะไม่อยากจะนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมต่อได้ถ้านอนบนฟูกหนาะเนะตียงใหญ่ๆที่สุขที่สบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาก็อยากจะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่อไปอีกสองสามสี่ชั่วโมงได้เสียเวลาอันมีค่าไปเราต้องการเอาเวลาที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะนี้มาเจริญจิตตภาวนาขั้นต้นก็เจริญส ม, มถาภาวนาคือการทำใจให้สงบก่อน จากนั้นถึงไปเจริญขั้นวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หมดสิ้นไปได้เบื้องต้นก็ต้องมาฝึกทำใจให้สงบก่อน พอเรามีศีลแล้วรักษาศีลแล้วทีนี้เราก็มาเจริญสติกันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะไม่มีเรื่องให้เราต้องมาคอยกังวลเรื่องรับประทานอาหารก็หมดไปเรื่องดูหนังดูละครเราก็ละเว้นวันนั้นในวันนั้นไม่ดูเราก็จะมีเวลาว่างไปหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหลังจากรับประทานอาหาร มือเที่ยงแล้วทีนี้ก็จะมีเวลาว่างไปจนถึงเวลานอนประมาณสี่ห้าทุ่มก็มีเกือบสิบชั่วโมงสิบเอดชั่วโมงด้วยกันถ้าเราเอาเวลานี้มาฝึกเจริญสติกันเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันไปเจริญสติอย่างสม่ำเสมอวิธีเจริญสติก็มีหลายวิธี วิธีที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยที่สุดก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธให้เราเราเลึกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่าเรากำลังเดินจงกรมไม่ว่าเรากำลังนั่งสมาธิหรือเวลาอื่นเวลาที่เราอยู่ในการปฏิบัตินี้ควรจะมีสติคอยควบคุมใจ คอยหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะถ้าคิดแล้วใจจะไม่มีวันที่จะสงบได้เมื่อใจไม่สงบก็จะไม่พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจึงจําเป็นที่จะต้องหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อย ๆ, ๆถ้าเรา ไปอยู่วัดเราก็จะไม่มีเรื่องที่จะต้องคิดเหมือนตอนที่เราอยู่บ้านหรือยอยู่ที่ทำงานเนถ้าเราไปทำงานเราก็ต้องคิดเรื่องงานเรื่องการอยู่บ้านก็ต้องคอยทำงานบ้านก็ต้องมีเรื่องให้คิดอยู่เรื่อยๆแต่พอเราปลิดตัวไปอยู่วัดได้เรื่องราวต่างๆที่เราเคยเกี่ยวข้องด้วยก็จะถูกระ ง, งับไปชั่วคราว นี่คือโอกาสที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราแสวงหากันหาเวลาหาสถานที่เพื่อให้เราได้มีโอกาสมาควบคุมความคิดกันมาหยุดความคิดกันให้ได้เพราะถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วเราจะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์ใจที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ จะสามารถให้กับเราได้ mm hmm. ใครถ้าใครได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแม้จะเป็นแค่เพียงแค่งูแลบลิ้น mm hmm. หรือฟ้าแลบก็ตาม mm hmm. จะติดอกติดใจไปจนวันตาย mm hmm. จะไม่มีวันลืม mm hmm. จะมีความยินดี mm hmm. ที่จะสละ ความสุขชนิดอื่นไปเพื่อทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ต่อไปดังนั้นขอให้เพียรพยายามฝึกสติกันให้ได้แล้วความสงบนี้มันจะตามมาเองไม่ต้องไปคอยกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะสงบสักที ยิ่งไปกังวลยิ่งไปวิตกยิ่งไปวิภาควิจารยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องหยุดการวิภาควิจารวิตกวิจารหยุดความกังวลต่างๆเวลาปฏิบัติธรรมขอให้ตั้งอยู่กับสติเพียงอย่างเดียวถ้าชอบพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าไม่ชอบพุทโธอยากจะใช้ร่างกายก็ได้ คอยเฝ้าดูร่างกายไปทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวอยู่กับร่างกายไปทุกทุกการกระทําเอำร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ทําไปกับร่างกายใจกับร่างกายเป็นเหมือนคู่เต้นรากันเอให้เต้นคู่เต้นรานี้ก็จะเกาะติดกันไปบนเวทีเขาจะไม่ไปคนละทิศคนละทาง เวลามีสติก็เป็นแบบนั้นใจสตินี้จะคอยดึงใจให้อยู่กับร่างกายถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยไปที่อื่นร่างกายอยู่ตรงนี้แต่ใจอาจจะไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้ไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ไปอยู่เหตุที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ได้หรือไปอยู่ที่อนาคตก็ได้ ใจมักจะไม่ค่อยอยู่กับร่างกายนานๆจะกลับมาดูสักครั้งหนึ่งว่าดูตอนนี้โอเคไหมอโอเคยังไม่ล้มยังไม่เป็นอะไรอะพอรู้ว่าโอเคก็ไปต่อกำลังทาอะไรก็กลับมาดูทีหนึางกำลังทาอยู่ป ะ, ะทำอยู่รับก็ไปแล้วกำลังแปรงฟันพอรู้ว่าแปรงฟันปั๊บก็ไปแล้วแเดี๋ยวว่ากลับมาดูใหม่กลับไปกลับมาอย่างนี้ อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนั่งสมาธิใจมันก็จะกลับไปกลับมาดูลมปับ๊บเดี๋ยวมันก็ไปแล้วดูลมปับ๊บแล้วก็ไปอดีตทิงกลับมาดูลมอีกครั้งก็ไปอนาคตกลับไปกลับมาไม่ยอมอยู่กับที่การที่จะทำใจให้สงบได้ใจต้องอยู่กับที่อยู่ที่เดียวอยู่กับร่างกายนี่ ถ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือการเจริญสติ <Yeah. S 1> ก็ต้องคอยเฝ้าดูร่างกายอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> วิธีที่จะทำให้มีสติดีนี้ต้องพาร่างกายไปอยู่ที่มันมีงูมีสัตว์ม้อยคานมีอะไร <Yeah. S 1> มันจะทำให้เวลาเดินนี้มันจะคอยระมัดระวังคอยดูว่ากำลังไปเหยียบอะไรหรือเปล่า <Yeah. S 1> ผู้ที่ปฏิบัติธรรม ที่เป็นพระนี้ส่วนใหญ่จึงนิยมไปปฏิบัติกันในป่าในเขาเพราะเป็นสถานที่ที่มีภัยรอบด้านจึงทำให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลาไม่กล้าส่งใจไปที่อื่นหรือถ้าไปอยู่ในป่าช้าก็จะไม่กล้าส่งใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือคิดถึงผีคิดถึงนูน่นถึงนี่ พออยู่ในป่าช้าก็จะยึดพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดว่าผีอยู่ตรงนั้นบ้างผีอยู่ตรงนี้บ้างสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่จะสนับสนุนเอื้อต่อการเจริญสติถ้ารู้สึกว่าถ้าเจริญสติในที่ที่ที่ไม่มีพิษมีภัยไม่มีอันตรายจิตใจก็จะรู้สึกประมาทเลินเล่อ จะไม่ค่อยระมัดระวังทำอะไรใจมักจะลอยแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีภัยรอบด้านมันจะบังคับใจให้มีสติขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เอามาฝากถ้าท่านยังไม่พร้อมที่จะไปปฏิบัติในป่าในป่าช้าก็ยังไม่ต้องกังวลปฏิบัติใน ที่วัดให้ได้ก่อนก็ให้มีสติในระดับหนึ่งปฏิบัติที่วัดได้ก็ดีกว่าไปปฏิบัติที่บ้านถ้าที่บ้านเป็นที่วุ่นวายถ้ามีคนมีอะไรมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ถ้าปฏิบัติที่บ้านที่อยู่คนเดียวนี้ก็ถือว่าเป็นวัดได้เหมือนกันเพราะเป้าหมายของคำว่าวัดในที่นี้ก็คือที่ที่สงบสงัดวิเวก ที่ไม่มีอะไรมาคอยบครบกวนใจไม่มาคอยขัดขวางการเจริญสติไม่มีอะไรมาขัดขวางการทําใจให้สงบเฉั้นถ้าสมมติว่าอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านคนเดียว<ม>ก็เหมือนอยู่กับวัดดีไม่ดีดีกว่า บ, บางวัดสะอีกบางวัดก็จะไปอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ทากิจกรรมร่วมกัน อันนี้สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกขัดใหม่ๆยังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเองก็ต้องอาศัยไปเรียนก่อนเวลาไปเรียนเขาก็จะมักจะรับนักเรียนทีพร้อมๆกันหลายๆหลายสิบคนด้วยกันอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นสถานที่วิเวกแต่เป็นที่ที่จะได้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างในการปฏิบัติธรรม เรียนว่าเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งสมาธินั่งอย่างไรการกําหนดตารางเวลาของการปฏิบัติกําหนดอย่างไรชเช่นตื่นตอนเช้าขึ้นมาตี 4, าสี่ไหว้พระสวดมนต์<ม>เดินสมามเดินจงกรมนั่งสมาธิ<ม>ฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็พักรับประทานอาหาร<ม>แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิ แล้วก็พักทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นทําทความสะอาดอาบน้ําอาบท่าแล้วก็มีเวลากําหนดให้มีกิจกรรมทําอย่างต่อเ น, นื่องเพื่อไม่ให้ทะเลทไลไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูก น, นิ้วกายถ้ายังไม่มีวินัยในตัวเองก็ต้องไปฝึกวินัยกับสถานที่เขาสั่งสอนก่อนออแต่ถ้า สามารถควบคุมใจให้ทำในกิจที่เพลินกระทำได้ไม่ไม่กระทำกิจที่ไม่ควรกระทำได้เช่นดูหนังฟังเพลงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสการใช้มือถืออะไรทำนองนี้จากมือถือถ้าไม่มีวินัยก็ต้องไปฝึกวินัยกับผู้อื่นก่อน ถ้ามีวินัยสามารถที่จะทําตามตารางเวลาที่ไปฝึกมาได้เช่นไปเวลาตื่นมาตีสี่ลุกขึ้นมาทันทีนาฬิกาปลุกตีสี่ลุกขึ้นมาล้างหน้าแล้วก็เดินจงกรมแก้งง่วงก่อนแล้วก็นั่งสมาธิต่อถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำใจให้สงบเกอดการเจริญสติกิจกรรมที่ทำกันในส่วนใหญ่ก็เรื่องของการเจริญสติเดินจงกรมก็เจริญสติสวดมนต์ก็เจริญสตินั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกก็เจริญสติเพราะต้องมีสติถึงจะทำใจให้สงบได้ถ้าไม่มีสติ ใจจะไม่มีวันสงบนี่คือเรื่องของการบวชเนื้อธมะการเจริญเนื้อธมะบา ร, รมีเพื่อที่จะได้ทำใจให้สงบเพื่อให้เกิดอุเบกขาบา ร, รมีขั้นต้นต้องถือศีลแปด เมื่อถือศีลแปดได้แล้วก็จะได้มีเวลามาเจริญสติเ mm hmm. จริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไป mm hmm. เดินจงกรมนั่งสมาธิไป mm hmm. หรือต้องทำงานอะไรบางอย่าง mm hmm. ก็อยู่กับงานที่ทำไปร้างหน้าแปรงฟัน mm hmm. อาบน้ำอะไรรับประทานอาหารจะ mm hmm. คอยเฝ้าดู ร่างกายไปก็ได้หรือจะใช้พุโทโธกำกับไปก็ได้เพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ใจไปอนาคตไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอันนี้เป็นงานที่จำเป็นที่สำคัญถ้าควบคุมความคิดไม่ได้ใจจะไม่มีวันสงบได้แต่ถ้าควบคุมความคิดได้นั่งห้านาทีใจก็รวมเป็นสมาธิได้ ขอให้เห็นความสำคัญของสติของการเจริญสติของการคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดแล้วจะได้พบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มหัศจรรย์ใจคือความสงบที่เรียกว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี จะเกิดขึ้นมาได้ก็เกิดจากการเจริญสติเกิดจากการถือศีลแปดเกิดจากการไปอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่คนเดียวถ้าต้องอยู่ร่วมกันก็อย่าคุกครีกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํากิจของตนอย่ามาจับ ก, กลุ่มนั่งคุยกันนั่ง สนทนานั่งเดิมนั่งทํากิจกรมรมอะไรร่วมกันงานนี้เป็นงานเดี่ยวต้องปีกไม่เวกต้องอยู่คนเดียวจิตถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้จิตมันก็จะติดอยู่กับคนนั้นคนนี้มันก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ต้องตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจให้หมด ให้เหลือแต่ใจกับร่างกายอยู่เพียงตามนมพังสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นเด็กเนี่ยเคยประทับอยู่ใต้คนไม้เพียงคนเดียวซึ่งปกติแล้วจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยเฝ้าดูคอยอยู่เป็นเพื่อนตลอดเวลาแต่พอดีวันนั้นมีกิ จ, จกรรมบางอย่างที่ทำให้พี่เลี้ยงต้องไปช่วย เลยปล่อยให้เจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่ใต้ใต้โคนต้นไม้ตามลาพังพอพอใจกับร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะนี้อยู่ตามลําพังไม่มีใครมาอคอยดึงไว้ใจก็รวมเข้าสู่ความสงบโดยอัตโนมัติพอเจ้าชายสิทธัตถะในอดีตชาติ mm. เคยบําเพ็ญ อสติมาแล้วเคยฝึกสมาธิมาแล้วเคยได้ฌานได้สมาธิมาแล้วพอบรรยากาศที่เอื้อต่อความสงบเกิดขึ้นปับ๊บพอกายวิเวกปับ๊บจิตก็วิเวกขึ้นมาทันทีสำหรับผู้ที่มีของเก่านะแต่พวกที่ไม่มีของเก่านี้พอกายวิเวกแล้วใจเหงาขึ้นมาทันทีใจหงุดหงิดขึ้นมาทันที พรไม่ไม่เคยอยู่คนเดียวไม่เคยเคยอยู่กับคนนั้นคนนี้พอต้องอยู่คนเดียวปั๊บเกิดเกิดอาการเหงาเกิดอาการว่าเหวขึ้นมาทันทีลองสังเกต ด, ดูว่าเราเป็นชนิดไหนชนิดที่เหงาว่าเหวเวลาอยู่คนเดียวหรือชนิดที่พออยู่คนเดียวรู้สึกเย็นสบายมีความสุขอันนี้เป็นการตรวจสอบ บุญในอดีตที่เราทํามาว่าเราเคยทําบุญแบบนี้มาหรือเปล่าเคยจเจริญเนคข ม, มะเคยจเจริญสติจเจริญอุเบกขาบารมีมาหรือเปล่าถ้าไม่จเจริญมันก็จะไม่เกิดพอต้องอยู่คนเดียวท่านั้นจะรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวขึ้นมาทันทีจะต้องรีบหาคนนั้นคนนี้มาอยู่เป็นเพื่อนทันทีนท หาคนไม่ได้ก็อาจจะหาแมวหาหมามาอยู่แก้เหงาไปพังๆอันนี้คือจิตใจที่เกาะติดกับคนกับสิ่งภายนอกพอไม่มีสิ่งภายนอกให้เกาะติดก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวแต่คนที่ไม่เกาะติดกับคนภายนอกสิ่งภายนอกคนที่เข้าสมาธิเป็นนี่จะ พออยู่เฉยๆตามลำพังปั๊บนี่จิตมันจะเข้าไปข้างในงทันทีเพราะไม่มีอะไรคอยดึงมันไว้นั่นเองถ้ามีคนมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะไม่เข้าไปเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องต้องคอยดูต้องคอยคุยต้องคอยทำอะไรกับเขามันก็จะไม่เข้าไปแต่ถ้าไม่มีใครอยู่นี่อยู่คนเดียวปั๊บนี่มันรู้จะรู้สึกว้ยๆขึ้นมาในใจเลย จะรู้สึกเงียบสงบสงัดขึ้นมาภายใน ใ, นใจ ท, ทันทีเราจะไม่มีความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวแต่อย่างใดจะรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจนี่แหละคือความสุขที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนเพียงแต่เราต้องเข้าเข้าไปให้ได้เนทะ่านั้นเองตอนนี้เราถูกกิเลสตัณหาโมหะวิชา หลอกให้เราออกไปหาความสุขข้างนอกกันเราจึงไม่ได้เจอความสุขที่มีอยู่ในตัวเราความสุขข้างนอกก็เป็นความสุขปลอมถ้าเป็นทองคำก็เป็นทองเก๋ถ้าเป็นธนบัตรก็เป็นธนบัตรเก๋เวลาได้มาก็คิดว่าเป็นของจริงพอไปใช้เขาก็ใช้ไม่ได้เอาธนบัตรเก๋ไปซื้อของบอกว่าใช้ไม่ได้เป็นของปลอม ความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็แบบนั้นได้มาเดียวเดียวเหมือนแบบควันไฟได้มาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปพอหายไปแล้วก็ปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจเวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปคนสิ่งที่เรารักไปใจเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีไม่สุขเศร้าโศกเสียใจบางทีก็เกิดอาการโกรธแค้นขึ้นมา คนที่รักทิ้งเราอย่างนี้สมมติเรารักใครแล้วเขาทิ้งเราขึ้นมานี่ความสุขที่เคยได้จากเขาก็หายไปความเครียดแค้นก็จะเกิดขึ้นตามมาหรือถ้าเขาไม่ทิ้งเราเขาจากเราไปเพราะเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแรือเกิดอุบัติเหตุเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นความทุกข์ทุกข์เพราะรักหรือทุกข์เพราะชังมันก็เป็นทุกข์เหมือนกัน ทุกข์รักก็เศร้าโศกเสียใจทุกขชังก็โกรธแค้นขึ้นมาอาฆาตพยาบาทขึ้นมานี่คือผลที่จะได้รับจากการไปหาความสุขภายนอกเพราะความสุขภายนอกเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เขาเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาได้ เราจะต้องเปลี่ยนไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปขณะตั้งอยู่ก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีบ้างพอมีการเปลี่ยนไปก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คืออ่อ ความหลงความหลงมันหลอกให้เราอวิชชาคือความหลงโมหะก็คือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจักเป็นดอกบัวเห็นความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสว่าเป็นความสุขพรามองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมองไม่เห็นความเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆคือเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของใครเขาเป็นธรรมชาติเนี่ย เราคงเข้าใจคาว่าธรรมชาติเช่นฝนนี่ก็เป็นธรรมชาติฝนตกนี้ก็ไม่มีใครไปสั่งให้หยุดได้ความอากาศร้อนจะไปสั่งให้มันเย็นก็สั่งไม่ได้มันเป็นของมันแล้วมันก็เปลี่ยนของมันไปมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเรียกว่าไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราหาจาก สิ่งต่างๆหรือจากบุคคลต่างๆก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเห็นแต่เราเราไม่มองว่าเป็นธรรมชาติเรากลับไปมองว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ควบคุมบังคับไม่ได้เราเลยไม่เคยเข้าหาความสุขภายในกันพอเราเคอยถูกบอกให้ไปหาความสุขภายนอก จนกลายเป็นคนเหมือนติดยาเสพติดเหมือนที่วันก่อนได้เล่าว่าพวกนกที่เขาเลี้ยงนกด้วยยาเสพติดเกลือบด้วยกัญชาอาหารผสมด้วยกัญชานกขีเท่อมาขาย เ, ยเพื่อให้คนเอาไปปล่อยพอปล่อยแล้วเดี๋ยวมันก็บินกลับมาหาเจ้าของเองมากินอาหารที่มีกัญชาเพราะมันติดรสอาหารมันเป็นยาเสพติดรูปเสียงกิ่นรสผดธะพระนี่ก็เป็นเหมือนยาเสพติด ที่เราเสกกันอยู่เรื่อยๆเสกกันเท่าไหราก็ไม่อิ่มไม่พอดูหนังมาไม่รู้กี่ร้อยเรื่องแล้วดูแล้วก็ไม่พอฟังเพลงมากี่ร้อยกี่พันเพลงแล้วก็ไม่พอเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นชนิดไหนมากี่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยความอิ่มความพอมีแต่ความหิวความอยากที่จะเสกอยู่เรื่อยๆแล้วพอตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเสกได้ก็จะเกิด ความทุกข์ใจขึ้นมาดันั้นเราต้องพยายามฝืนต่อสู้กับกำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่คอยดันส่งใจให้เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในเบื้องต้นก็อาศัยกำลังของสติอาศัยสติคอยดึงใจให้กลับเข้าข้างในอย่าให้ให้สติมีกำลังมากกว่ากำลังของ กิเลสตัณหาโมหะอวิชชาถ้าเราหมั่นท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนี้ต่อไปพุทโธนี้จะมีกําลังมากกว่าความคิดปรุงแต่งที่จะไปคิดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆพอความอยากหาความสุขความคิดที่จะไปหาความสุขนี้มันสู้กําลังของพุทโธไม่ได้ มันก็จะดึงใจกลับเข้าข้างในเดี๋ยวใจก็เข้าสู่ความสงบสาหรับบางท่านก็จะเข้าเป็นขั้นๆสงบทีละเล็กทีละน้อยแต่บางขั้นก็เข้าแบบพูดพลาดก็มีเข้าแบบเหมือนตกจากที่สูงพวงละกามพุโทโธอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนจิตนี้ตกจากที่สูงรวมเป็นหนึ่ง สงบนิ่งความคิดปรุงแต่งความอยากต่างๆโมหะวิชาอาวิชากิเลสตัณหาหยุดทำงานชั่วคราว mm hmm. พอการทำงานของกิเลสตัณหาหยุดปับ๊บความสุขอันมหัสตัญใจก็ปรากฏขึ้นมาทันที mm hmm. นี่คืออำนาจของสติ mm hmm. แต่สตินี้มีกำลังไม่ไม่มากไม่นาน mm hmm. พอจิตสงบสติก็หยุดทำงานไปด้วยพอสติหมดแรงกิเลสตัณหาที่ก็จะมีกําลังโผล่ขึ้นมาใหม่ก็จะผลักดันให้จิตออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่อพอจิตสงบได้สักพักหนึ่งก็เกิดความอยากจะลุกแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งนะเริ่มรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นะแสดงว่าได้ออกมาถึง ตาหูจมูกมินกายเลพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาก็อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกเ่พอนั่งแล้วรู้สึกเจ็บตรงนั้นปรดตรงนี้ก็อยากจะขยับเนี่ยพอลุกขึ้นมาแล้วพอขยับแล้วก็จะรู้สึกอาการหิวนงหิวน้ำก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆถ้าไม่ถือศีลแปดก็อาจจะอยากจะรับประทานขนมนมเนยต่อเพราะความอยากเริ่มทำงานต่อ ถ้าต้องการเอาชนะสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้ใช้พุทธโธหยุดมันไว้ก่อนให้จิตกลับเข้าไปข้างในเหมือนเมื่อก่อนนี้อันนี้ก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆสลับกันไปดันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ดันออกมาวิธีที่สองเราเรียกว่าวิธีของปัญญาหรือวิปัสสนาต้องทำ สอนใจให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ใจอยากไปเสบนี้เป็นทุกข์เ<ม>พราะไม่เที่ยงเพราะเป็นของธรรมชาติเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็อยู่กับเราบางทีก็ไม่อยู่กับเรา<ม>ถ้าเวลาเขาไม่อยู่กับเราเวลาเขาจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจเสียใจเศร้าใจ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเศร้าใจเราก็อยากไปหารูปเสียงกลิ่นรสนาเสพดีกว่าถ้าเราตัดความอยากได้ต่อไปเราจะไม่รู้สึกหิวโหวยกับความกับรูปเสียงกลิ่นรสโปรดเถะพะเหมือนคนที่ตัดความอยากสูบบุหรี่ได้พอเลิกสูบบุหรี่ได้แล้วก็จะไม่รู้สึกหิวโหวยกับการกับการสูบบุหรี่คนที่เคยหิวโหวยกับการดื่มสุราพอเลิกความอยากดื่มสุราได้ ต่อไปก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับการดืม่มชวราไม่ได้ดื่มสุราก็ไม่เดือดร้อนอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นที่สองต่อจากสมาธิถ้าเราชํานาญทางสมาธิแล้วออพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจเวลาอยากได้อะไรก็สอนให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือเห็นมุมกลับถ้าเห็นอะไรสวยงามก็มองให้เห็นว่ามันไม่สวยงามเช่นร่างกายหเห็นสวยงามก็อยากจะได้เขาเป็นแฟนพอไปเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขาเราก็กลัวเขาทันทีถ้าคิดว่าเกิดวันดีคืนดีเขาโกรธเราเกลียดเราเป็นยังไงบ้างเขาซ้อมเราเขาตบทุบตีเรานี่ถ้าคิดถึงมุมกลับบ้างมันก็เป็นทาให้เรา อาจจะหยุดความอยากได้ไม่เสี่ยงดีปะ่ะเพราะไม่รู้ว่าเขาดีกับเราไปตลอดได้หรือเปล่าวันดีขึ้นดีเขาอาจจะกลายเป็นข้าศึกศัตรูขึ้นมาก็ได้ <Yeah. S 1> ให้คิดมุมกลับให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงพลิกคนเราพลิกได้สิ่งต่างๆพลิกได้อยากดีกลายเป็นไม่ดีได้ yeah. Yeah. ถ้าเห็นเห็นความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆมันก็จะทาให้เราไม่อยากที่จะ ได้สิ่งต่างๆมาเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นยาพิษขึ้นมาเมื่อไหร่กลายจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราเมื่อไหร่ซู้อยู่ตามลำพังดีกว่าปลอดภัยกว่าอยู่กับความสงบดีกว่า mm hmm. เราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจ mm hmm. ใจของเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขไปตลอด การปฏิบัติของเราก็ยุติลงตรงจุดนั้นเมื่อไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจก็จะไม่มีความทุกข์ก็ไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญวิปัสสนาอีกต่อไปเพราะการเจริญธรรมเหล่านี้เป็นเหมือนการรับประทานยาถ้าไม่สบายก็ต้องรับประทานยา แต่พอหายจากโรคภัยค่าเจ็บแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยารับประทานไปก็ไม่ได้ทำให้มีผลอะไรต่างกันเราก็เลิกรับประทานยาเวลาที่เราหายเวลาใจพ้นทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์แล้วไม่มีมกิเลสตัณหาอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติทําอีกต่อไป<ม>การปฏิบัติทางธรรมนี้มีวันสินสนนส้นสุดลงงานทางธรรมมีวันสิ้นสุดอง แต่งานทางโลกนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะมันจะต้องคอยมาเสริมมาเติมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันเก่าก็ต้องมาซ่อมมาแซมใหม่อยู่เรื่อยๆแต่งานทางธรรมนี้เหมือนกับการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บพอหายแล้วก็ไม่ต้องกินยาอีกต่อไปอันนี้คือประโยชน์ผลที่เราจะได้จากการที่เรามาหัดปฏิบัติธรรมกันหัดเจริญสติหัดนั่งสมาธิ หัดเจริญปัญญาหัดถือศีลแปดกันหัดอยู่ตามลำพังกันแล้วต่อไปเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็จะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจตลอดเวลา<ม>การแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา<ม>จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวหาปูราปาเรปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานัอ e ุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังค um ิปะเมวะสั i มิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา ยันโทปะนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีขายุโกภวาภิวาตนสิลิสะนิจจังวุธาปจายโน จะตาโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้ช่วงที่สองนี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษมีชาวต่างชาติที่ติดตามทางเว็บเพจทางเฟ e บุ๊ k ส่งคำถามเข้ามา เกือบสี่สิคำถามตัง30ิกว่าคำถามด้วยกันก็ตอบประมาณเดือนละหนึ่งครั้งก็จะเอามาตอบกันรวบรวบรวมกันแล้วก็มาตอบกันทีนี้วันนี้ก็เลยช่วงที่สองนี้จะไม่มีการถามตอบเป็นภาษาไทยจะขอถามตอบเป็นภาษาอังกฤษกันวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา389 YouTube 342วิทยุออนไลน์8 Zoom 11ผู้รับฟังที่กุฏิ40คนรวมทั้งหมด790ครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นภาษาอังกฤษเลยนะ